ถ้าเพดานปัญญาฉันสูงกว่านี้ปิดกั้นกามาสุขเด็กขาดกว่านี้พอเกิดนิมิตหน้าแฟนเก่าแล้วคงมีเครื่องหมายบางอย่างบอกด้วยแล้วว่าเธอจะนำความพินาศมาสู่การเจริญภาวนาคิดไม่ตกว่าควรทำยังไงแน่ใจอย่างเดียวคือความรู้สึกของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่มองเพื่อความปลอดภัยของเธอเอง